สำหรับตอนนี้วันนี้ก็ที่บันเทคงนี่ก็ยังนั่งอยู่ที่บ้านของละพีเลขะคุณรูปสาวซึ่งให้การรับรองเป็นอย่างดีขอย้อนขบวติการเดินทางมานี่ <c oughs> วันที่ยี่บสามเมษายนสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดพ่อจากอำเภอทุ่งสงตั้งใจจะ มาหัดใหญ่คือพักที่หัดใหญ่ก่อนแต่ก็คิดว่าถ้าพักที่หัดใหญ่ด้มายาลาการเดินทางมันก็จะยาวเกินไปหากลับไปจะไปพักที่หลังสวนเกรงว่า่าค่านี้จะดึกดังนั้นจึงได้เปลี่ยนแผนจากการออกที่อยู่สามแทนที่จะพักหัดใหญ่พักที่สงขลา ก็เป็นการเดินทางทางมาบ้านลพีเลขกุลที่จังหวัดยะลาจ้าของบ้านนังสองคือท่านคุณหมอปยญญสิทธิ์และก็ลพีเลขกุลรูกรักทางสองเป็นคนดีมากจัดสถานที่ไวโอโถงการเดินมาก็รู้สึกประมาด้วยความสะดวกเที่ยงระยะทางมีการสนใจกันนิดหน่อย สำ้รับผู้ควบคุมรถคือคุณเมยคุณสมบูรณ์เอียงสมนึกทั้งนี้มีแล้วก็วิวัฒนวิชัยและทัตทีแล้วก็จาาจากยิบเอกของกองบัญชาการาหารสูงสุดตั้งคุมรรนรสแลนตั้งดนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมรถ โดยเฉพาะเอียงเป็นเจ้าหน้าที่เป็นในช่างใหญ่สำหรับแก้ไขรถเวลาที่ไขข้องต้าสิ่งใดที่ไปเกินวิสัยของเธอเธอเก่งมากจัดว่ามีความสมรรถภาพมากในเรื่องนี้สำหรับผู้หนนวยการในการดูรถก็คือมีมีภาร ก, กิจมากในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่การคลังก็ได้แก้สมบูรณ์เวสารชานนนท์ เป็นคนรับผิดชอบในการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเงินทองทั้งหมดปรากฏว่าคนทุกคนต่างรับผิดชอบกันเต็มกำลังน่าสรรเสริญและเวลาลูกทุกคนก็เช่นเดียวกันต่างรับภาระหน้าที่อยู่ในวาดอย่างดีพ่อดีใจมากแต่อาจจะมีคนบางคนใช้จริยาใช้ปากที่ไม่สุขคนอาจจะมีหลงเหลือมาบ้าง จะมีใครหรือบ้างพ่อก็ไม่ทราบแต่ขอเตือนไว้ว่าจะไปที่ไหนก็ตามภาระใดๆที่เราไม่มีส่วนจะเกี่ยวข้องอย่างงานด้านเทคนิคเรื่องรถเรื่อง ร, รานี้ถ้าเราไม่เป็นปล่อยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจการไปตามเรื่องอย่าพปยุ่งกับเขาจะเป็นการทําลายกําลังใจพ่อเองถึงแม้ว่าจะจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้นําทาง ถ้า ง, งานจะพาะกิบทุกอย่างเพ่อมาอยู่กับเขาปล่อยตามความสามารถไม่เช่นั้นเขาจะเสียกําลังใจเดินทางจากอําเภอทุ่งสงก่อนจะเดินทางออกมาก็ปรากฏว่าท้าวเวสสุวรรณหรือว่าโรงเปรมเข้าชายคนหนึ่งแล้วต่อมาท้ามาหกรมแล้วต่อมาท่านหนึ่งเรียกว่าเจ้าข้อเสือแต่ความจริงไม่ใช่เป็นเทวดา นี่นานว่าเจ้าพอเสือทำาห้เข้าส่งก็รู้สึกว่าท่าทางการเข้าส่งเจ้าว่าเขาหลอกเขาหลวงไม่ได้เพราะมันเขาไม่ได้ทรัพย์ไม่ได้ศินเลยอ่อนอย่างหนักการส่งมีคนเลื่อมใสามากท่านเจ้าของพู้ร่างกายผู้ส่งก็ไม่ได้สินแจ้างรางวัลเสียกายงานที่จะ่เพิ่งได้สําหรับตนแต่ว่าน้ําใจเป็นกุศลยอมทําให้ เรื่องการทรงนี้พ่อก็ไม่แปลกใจเราจะมาว่ากันไปถึงว่าเขตอำเภอทุ่งสงถึงว่าบ้านเหนือคลองอำเภอพระแสงอำเภอสวางอำเภอเวียงสะดินแดนส่วนนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่เราทราบกันมาแล้ว ว่าเป็นเมืองที่เต็มไปไ ด, มด้วยความยุ่งเหยิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมนครศรีธรรมราชกับสุราธานีเป็นเมืองที่น่าหนักใจมากแล้วเวลานี้ก็ะ บ, บี่กับพังงาก็เริ่มงานอีกแล้วอาตรังและพัทลุงก็ยุ่งเหมือนกันยันมาจังหวัดสงขาก็น่าคิดยันไปทีดูอีกทีจังหวัดยนลา จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาส ท, ที่เราจะต้องผ่านย่านอำเภอเบตงก็เช่นเดียวกันรื่องความในเรื่องยุ่งทะลายลิวเหล่านี้นั้นเพราะความไม่เข้าใจกันเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีสําคัญมีความสําคัญเพราะ ว, ว่าในสมัยพระเจ้ารามคาแหงนั้นท่านยึดได้ทั้งสิงคโปร์ ถ้าเนื้อแท้จริงๆแล้วท่าไม่ได้ตีไปถึงสิงคโปร์ท่านตีเข้ามายเดครอง น, น, นครศรีธรรมราชเมืองเดียวเท่านั้นถ้านก็ได้ไปถึงสิงคโปร์เจนว่วนับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาถึงสิงคโปร์ในเวลานั้นทุกเมืองในเขตนั้นทั้งหมดเป็นเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็จัดว่าเป็นประเทศที่มีมหาอำนาจไม่น้อยและก็มีทรัพยากรมากความจริงภาคใต้คนภาคใต้ไม่จนเหมือนคนภาคเหนือหรือภาคกลางภาคอีสนานทั้งนี้พ่อไห้่พอเดินไปที่ไหนไมันก็เป็นเงินเป็นทองทำการรับจ้างกันขุดดินวันราคาทั้งวันละหกสิบาท บ้านเราถ้าจ้างสามสิบบาทเราก็พอใจแต่ที่นี่ธรรมดาธรรมดาเขาจ้างกันแล้ววันละหกสิบบาทแต่ว่าท่านผู้ทําก็ต้องคิดทํานิดๆหน่อยๆเพราะเงินมีใช้มีสอยท่านก็หยุ์แล้วไม่มีถ้าไม่มีเงินจะใช้ก็ทําใหม่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่หาเง่งายๆในสมัยที่พ่อเป็นเด็ก สภาพของคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ถ้าถือว่านอนนอนอยู่ในกองเงนกองทองจะหามอะไรก็หาได้สำหรับเมืองนครศรีธรรมราชนี้ท่านกล่าวว่าชาวปาตรีบุตรขบฮิ้ครองไ้ก่อนในสมัยก่อนโน้นน่าพวาคนจะเป็นก่อนพุทธกาล ในระยะช่วงหนึ่งจึงมีนาว่าชาวปาตลีบุตรอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็มียน่าเขตไปถึงจังหวัดภูเก็ตที่รู้นี่ไม่ใช่นังสีเขาไปเดินเล่นอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตก็มีผีมาคุยให้ฟังนี่เขาเรียกกันว่าประวัติศาสตร์ผีแต่นครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกอันหนึ่ง คือเมื่อพระราชการที่หนึ่งสมเด็จพระยาเจ้าไปสมเด็จเจ้าวยามหากษศัตริ์ศึกเมื่อยึดอำนาจอะไรละ่ะกรุงธนบุรีได้แล้วจับพระเจ้าตากสินลงไปชนคือประหารชีวิตฆ่าตายง่ายๆไม่ยากนักเพราะคำสั่งเขาว่าเขาพรปรากฏว่าข่าวขพระเจ้าตากสินที่วงคต ถูกราชการที่หนึ่งคือสมเด็จพระพุทธยอด ฟ, ฟ้าจุลาโลกสั่งประหารก็ในช่วงระยะเวลาคืนนั้นก็ปรากฏว่าปีศาจเขาไม่เจ้าตากสินมาปรากฏที่เมืองปากท่อเพื่อในเขตราชบุรีอำเภอปากท่อหลังจากนั้นอยู่ที่ปากท่อพอสมควร ปีสาจเขาไว้เจ้าป่าตาสินถ้ามีสภาพเป็นพระก็มาปรากฏขึ้นใน น, นครศรีธรรมราชจำบรรสายอยู่เลยทำทาพรมนะอะไรพรมก็ไม่รู้มาหาพรมก็แล้วไม่รู้ก็พรมๆอะไรกันเลยน้ำตกพรมไปหน่อยหนึ่งในที่นั้นมีทาแล้วก็มีกระท่อมอยู่ข้างหน้า เป็นบริเวณที่เงียบสงัดสมัยนั้นเป็นป่าชัดยากกับการเดินเข้าไปถึงเป็นที่สงัดไม่ล่อตาคนก็ต้องคิดปรากฏว่าปีศาจไปเจ้าตากศิลนี่ศักดิ์สิทธิ์มีเนื้อมีหนังเหมือนกับคนธรรมดาแต่ว่าจะใครไปถามนะว่าพระพุทธยอดฟ้าทัา้งฆ่าแบบไหนที่ในตายแบบนั้น อันนี้ตั้งเขาก็หยับกันนิดหนึง่งเพื่อความเข้าใจที่เขียนไม่แล้วว่าพระเจ้าตากสินกับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไม่มีใครเป็นขบถแล้วก็ไม่มีใครตายข่าวนี้มาจากผีเขาพระเจ้ า, าตากสินแล้วก็ผีเขาพระพุพพทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่เรียกว่าผีก็เพราะว่าคนเอ่นมองมาคือเห็นนี่ เวลาที่ท่านมาบอกจะไปหาว่าพ่อเข้าฌานสมาบาัติจะคิดว่าพ่อเป็นคนมีตาทิพย์ท่านมาท่านแสดงตัวให้ปรากฏเราจึงเห็นเวลาท่านแสดงตัวให้ป ร, กรากฏก็เห็นชัดเล่ากันไว้สังหน่อยจะต้องไม่ต้องไปหาหนะังสือฉบับนั้นอ่านมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญ วันหนึ่งพระเจ้าตาสินทรงสนเดชประทับอยู่ในห้องเจริญพระกรรมฐานเวลานั้นเป็นเวลากลางวันโรงทรงฉลองพระองค์ขาวเอนุ่งผ้าขาวห่วมสบายเฉียงขาวมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานไปตามจะสมเด็จเจริญญามาหากากศัตริ์สิทธิ์คือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เวลานั้นมีตำแหน่งคล้ายๆมหาอุปราชเข้ามาเฝ้าเพราะว่าบรรดาศักด์สมเด็จเจ้าพญานีมีสิทธิ์จะสั่งฆ่าคนดนก่อนกราบทูลมีอำนาจคล้ายๆพระมหากษัตริย์แต่มีบางอย่างที่ต้องผ่านพระมหากษักรตริย์ในงานที่จะสั่งสร้างประหารชีวิตคนนั้นทำได้ทันที เป็นอันว่าพระเจ้าตากสินเมื่อสั่งให้พระพุทธยอดฟ้ามาเฝ้าเป็นเพื่อนเก่ากันสั่งเลยว่าให้แต่งชุดรบให้ครบถวนและขัดดาบมาด้วยพระพุทธยอดฟ้าได้ฟังก็ตกใจว่าเอ๊ะนี่อาการข่าวคราวทั้งหลายมันก็เงียบนี่สงครามอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนพระองค์จะได้สั่งแบบนี้พระอาศัยความจงรักภักดีของสมเด็จจะพระยามาหากษัตริย์ศึก ที่มีกับพระเจ้าตากสินมหาราช ท, ทั้งท่านที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ยอมรับนับถือเคารพความจริงคนโบราณเนะี่ยเขมีความกระตันยอรู้คุณเมื่อมาถึงแล้วก็เห็นว่าพระเจ้าตากสินเสด็จประทับอยู่พระองค์เดียวตกใจเห็นว่าคนจะไปชมอใหมา่ขั้นราการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดแต่ไม่มีใครเลยพระวุฒิยอดฟ้าจุลาโลกเห็นว่าเป็นการไม่สมควร ดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัวพระทัยอยู่แต่พระองค์เดียวแล้วตัวเองจะขัดดาบกมาอย่างนั้นไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งยิงถอยหลังไปทําท่าจะถอดดาบถอดดาบออกทั้งฝกักไม่ถอดจะพระคมออกมาขยับจะขยับจเจ้าดาบออกพอดีก็เจ้ า, จาตากสินมหาราชถึงขา้าพอดีพ่อไม่ขอใช้ราชาศัพท์ เพียงแต่ว่าในาใครด้วงเลยเออเข้ามาสิเอาดาบเข้ามาด้วยอย่าออกพระพุทธสมเด็จจ้ายัญามหาการศักดิ์ ส, สิ์ก็หมอบเข้าคลายเข้าไปเฝ้านี่ก็ถอดดาบออกวางไว้หากอยู่ใกล้ประตูโต้ก็คลายเข้าไปพระเจ้าแต่สินมหาราช จ, จะมีพระราชดำรัสตัดว่าด้วงเอาดาบเข้ามาใกล้ สมเด็จเจวียามหาการศัตดิ์สิทธิ์จึงได้มือกระทุ้งดาบออกไปเะนอกระตูเลยแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งมาเก็บดาบไปเมื่อเข้าไปใกล้ไม่มีใครพระเจ้าเตาสินมหาราชก็ตรัสถามบาดลวงอยากจะเป็นพระเจ้าบผ่นดินไหมเจ้าปญาสมเด็จเจวียามหากษัตริย์สิทธิ์ก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดเลยพระพุทธเจ้าค่ะ พระเจ้าตาสิงห์ก็บอกว่าดวงไม่ได้อกนะดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่ามันมีความจําเป็นมากดวงก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉั น, น่ะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจนที่สุดไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเพราะว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินฉันไม่เสืบเชื่อสายมาทรัพย์สินนั่นหลายมันก็ไม่มี เวลานี้ฉันเป็นหนี้ใครกานไม่ได้ให้เบีย้ยวัดเกินปีเขามากเงินที่เราจะใช้กันาการจริง ก, รกงการควบการปกครองประเทศนี่ไม่ใช่เงินมากจริงๆก็ต้องจูกู้เจ้าสัวเข้ามาจากเมืองจีนนี่อีกไม่ช้าเขาจะมารับเงินเก่าพร้อมกระดกเบีย้ยแล้วก็ให้เรากู้ใหม่การรับเงินเก่าเพียงแค่ต้นทุนเราก็ไม่มีให้เขาแล้ว ให้เขาไม่พอแล้วแถมดอกเบี้ยอีกฉันจะเอาที่ไหนแล้พวกขา้าราชการของเราก็ไม่ได้จ่ายกันรบราค้าฟันทำงานกันหนักทันเป็นหนี้เขามากเวลานี้เขมรเขาหมดพิทยรยศ ด, ด้วงจงยกทัพไปที่เขมรแล้วก็ลูกชายฉันไปด้วยถ้าหากว่าถ้ายึดเขมรได้ลูกชายของฉันอยากเข้ามาเลยให้ครองยู่ที่เขมร ได้กลับเข้ามาที่นี่ด้วงจงมายึดพรนครฉันจะทําเป็นฉันจะบวชพระทำเป็นบ้าใ น, นกันด้วงก็กําจัดฉันออกจากราชสมบัติเท่านั้นก็พอในที่สุดในเมื่อฉันพ้นอนาอนาจตําแหน่งจากพระมหากษัตรัชทในกันด้วงไม่ใช่เป็นคนรับโอนเพราะโยนด้วงยึดอํานาจได้ล้มกษัตริย์ไปไอหนี่เก่าทั้งหลายก็เป็นวันเลิกกันเพราะด้วงมันดีกู ที่พูดกันเพียงเท่านี้ก็พอรู้เป็นอันว่านโยบายนี้ทั้งหมดเป็นไปตามพระราชประสงค์แต่ว่าผิดพระราชประสองค์อยู่หน่อยเดียวที่ไปตีเขมขงเ่านั้นไม่ทันจะจบพรายาสันที่อยู่ในทางนี้เกิดขบถขึ้นมาเช่จริงๆจะพระเจา้าตาสินและก็ยึดอำนาจจะประกาศตนเป็นปกษัตริย์ ต่อมาพยาไรไม่ทราบอยู่ที่นครน่าจะสีมาเป็นล้านชายเพระพุทธยอดฟ้ า, าอยู่หลานโลกยกบทัพเข้าไปจับพยาสันบุรีเมื่อพุทธยอดฟ้าทราบเรื่องอยุ่งอย่างนี้ก็จําเป็นจะยกทัพกลั บ, บนี่ไอคนที่มันไม่รู้จักพอมันเป็นอย่างนี้ การก็ไม่จับพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นความจริงมันเป็นนโยบายที่ตกลงกันระหว่างพระเจ้าตากสินกับพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกถ้าหากว่าไม่ตกลงกันจริงๆแล้วไม่ตกลงกันไว้ก่อนคนอย่างพระเจ้าตากสินยังมีพิมือแล้วก็ยังมีคนที่มีความจงรักภักดีอยู่มากพระราชาอยู่ที่ไหนก็มีหน่วยรักษาพระองค์ที่นั่น ถ้าไม่เป็นเรื่องตกลงกันแล้วก็จับกันไม่ได้ยังไงยังไงก็แหลกในที่สุดพยาศนั่นแะจะต้องตายในการนี้เข้าไปจับไม่ง่ายนี่ต้องมีความรู้สึกว่าต้องมีอะไรกันอยู่ก่อนและมาตอนหนึ่งที่คนคิดว่าพระเจ้าตาสินนั่นบ้าเอาพระเข้ามาบังคับให้พระวัแต่ความจริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตามที่ท่านเล่าสู่กันฟัง พระที่กระทำความผิดให้ไปนำตัวเข้ามาในพระราชฐานแลว้วก็เก็บพระไว้ในที่รับเอานักโทษที่เอามาโกนหัวและวให้นุ่มผเหลืองแลว้วก็เค้นให้ประชาชนดูบอกว่านี่แม้แต่พระทำความผิดยังต้องถูกลงโทษถ้าผู้ประชาช น, นหลายที่ไม่เด็นพระมีความผิดจะต้องตาย ไอ้ข่าวนี้ก็ลือไปหาว่าพระเจ้าตางสินบ้าเขี้ยงก็ทั้งพระก็ตังเจ้าอันนี้เป็นอาการที่แสดงออกให้คนกรคิดว่าพระองค์เสียพระสติจริงๆต่อมาเมื่อพญาสันเข้าไปจับจิงได้จับได้ง่ายตามนโยบายแล้วก็ไปขังไว้ที่วัดอาขังในที่สุดพญาสันมุรีก็กำเริบไม่รู้เรื่องความเป็นจริง จะยึดอำนาจครองแผ่นดินเสียเลยจะไม่ยอมให้แผ่นดินกับใครทั้งหมดนั่นเก่งมากในที่สุดความโลภยงมฆ่าคนชั่วคือพบญาสันมุรีก็ต้องตายเมื่อสมเด็จพระพุทยธยติฟ้าจุลาโลกเข็นบ้านเมืองยุ่งเหยิงผิดไปแบบนั้นก็ต้องยกทัพกลับมาถึงที่วัดสเกตพักทัพอยู่สเกตแต่เดิมทีชื่อวัดสแก พักทับอยู่นั้นมีอันนายทหารชั้นผู้ใหญ่ไปเชิญขึ้นครองราชเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าตากสินก็บ้าเสียแล้วพญาสันบุรีคิ่กะบอกทยศถูกจับได้โทยอยยศฟ้าจึงทรงอะไรเขาเรียกว่าสักผมที่นั่นนะสเกซาสเก ส, สเก ส, สเก ส, สเกซาคือ ส, สั ก, สสกสสผมแต่งตัวอาบน้ําที่นั่นเสร็จแล้วจึงชายเด็กเข้ามาถึงกองทนบุรี วัดนั้นจึงมีนามหมายว่าวัดสักเกตแล้เข้ามาเถลิงลาดพิจารณาความผิดเขาไม่เจ้าต่างสินว่าบ้าใบกระทำความชั่วเขียนตีก็ทั้งพระจึงได้สั่งประหารชีวิตการประหารชีวิตพระราชาสมัยนั้นเขาใส่กระสอบพวกได้อนัจ เดิมดีเดียวเขาจะต้องการนักโทษที่ถึงประหารชีวิตเอาตายแทนใสกระสอบออกไปจากที่รับจะรู้ว่าใครเป็นใครเลยกระทุกภไปตายศพก็โยนฝังไปมันก็หมดเรื่องแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่มีความจงรักภนดีแด่พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นราชวันลบว่าเล็กผุกลายชิดขออาสาตายแทน ในที่สุดคนนั้นก็จำเป็นจะต้องตายเพราะไม่ตายเดี๋ยปากแกมากจะพูดไปว่าเรื่องฆ่ากันไม่เป็นความจริงมันจะยุ่งในที่สุดก็ต้องฆ่าเอาแกใส่กระสอบไปแทนฆ่าแล้วพระเจ้าตากสินมหาราชอาศัยพระพุทยธยอดฟ้าจุลาโลกเวลากลางคืนใช้ขบวนห้อมล้อมกันไปใช้ภาณะบรรทุกไปเอาไปเก็บไว้ที่ปากท่อ เพราะฐานที่ตรงนั้นสร้างมปก่อนแล้วเรียบร้อยถ้าคิดปากท่อพอสมควรต่อมาพระเจ้าต่างสินมหาราชคิดว่าที่ตรงนี้ไม่ลีรลับอาจจะมีคนรู้เห็นได้สมัยนั้นมันก็เป็นป่าพอสมควรยิร่งขายากขยายไปที่นครศรีธรรมราชไปเลยแม่ น, น้ำไปเลยน้าตกอะไรพร้มก็มาซักชื่อพร้มก็อลไรกัน น้ำตกพรมเลยเข้าไปเป็นป่าชัดเวลานี้เข้าไปยังรู้สึกสงัดสงัดมันยังเป็นป่าเป็นที่รับจริงๆเวลานั้นถือว่าเป็นป่าดงดิบแล้วก็เป็นถ้าเล็กๆไม่ทีไม่มีใครไปเป็นอันว่าพระเจ้าตาสินมาราชจะต้องตายเพราะเพราะกระลับสั่งเท่านั้นไม่ได้ตายเพราะการถูกฆ่า ด้วยนั้นว่าเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ทราบมาจากผีลูกรักจริงไม่จริงเพียงใดก็ช่างต่อมาพระเจ้าต่อมาข่าวว่าพระเจ้าตัดสินชินธ น, นสิบวงคตเพราะพระพุทธยอดฟ้าอยู่ลานโลกสั่งประหารชีวิตต่อมาพระพุทธยอดฟ้าได้เรียกลูกชายสองคนความคิดนี้ทั้งหมดแม่แต่ลูกก็ยังไม่รู้ นั่นเองก็มาถามว่าจะรับพเหตุการด้วยหรือว่ายัางไงลูกชายทั้งสองคนก็บอกว่าเมื่อพ่อตายก็ขอตามตายไปด้วยฉะนั้นพระพุทธยอดฟ้าจึงจะดสั่งตัดสินระหารชีวิตโดยจัดว่าฆ่าบวแล้วจงหย่าไว้ใหญ่จะเป็นภัยทีหลังสร้างประหารชีวิตจะไม่ทราบว่าใครตายแทนสองคนนั้นพอตายก็ปรากฏว่ามาโผร่ขึ้นในคนครสีธรรมราช ผีสองคนมาโผล่ขึ้นในคนครสีธรรมราชเป็นผีไม่เนื้อคนหนึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าอะไรไม่บอกนี่ไม่บอกไม่อยากบอกเป็นได้รับราชการอยู่ที่นครสีธรรมราชเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นี่คนหนึ่งเป็นพ่อค้าไทยค้าเรือสำเภาติดต่อตกับต่างประเทศนี่สำหรับเรื่องราวที่เราผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองนครศรีธรรมราชในเขตนี้ก็ยังมีเมืองสําคัญอีกสองเมืองสามจุดคือเมืองเดียวแต่ว่าตั้งเป็นสามจุดที่เรียกว่าเมืองคนชิงซึ่งอยู่ในเขาปรากฏว่าเมืองคนชิงนี้มีลําน้ําเล็ดลอดต่อจากเข้าไปถึงตามลําดับมีจุดเป็นที่อาศัยใหญ่ๆสองจุดเป็นเมืองเกา่ามีทรัพยากรมาก เมืองคุจชิงนี้เดิมทีเดียวเจ็กมายึดอยู่แก่ตั้งแปลงคารบ้านเรืองคล้ายๆพระราชฐานแต่เวลานี้เราเข้ากันไปไม่ได้เพราะคุจชิงกลายเป็นคุนชังเพราะว่าคุณจิตโจงจิตแก่ยอยู่ที่นั่นแก่ควบคุมกำลังทหารพิเศษของแก่ว้ใครเข้าไปไม่ได้ถือว่าเป็นเมืองพิเศษ สำหรับเมืองคุนชิงนี่มาพูดแล้วก็น่าคิดว่าทัพภาคสี่ตามข่าวนองเสือพิมพเขบบาบอกว่ายึดเมืองคุจริงได้แต่ในที่สุดกลับมาใหม่กลายเป็นคุจริงที่มีความเข้มแข็งในการต่อต้านก็ลเลยไม่ทราบว่าข่าวนั้นใครเป็นคนให้ออกไปใครจะผิดใครจะถูกอันนี้ไม่รู้นองเสื้อพิมพ์ประคองข่าวกันในสมัยนั้นบอกว่าคุจริงแตกแล้ว พทัพพระศีได้แล้วคอนหนังเขาทำการต้มตีนคุณชิงยับเยินคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดต้องหนีร่นไปอยู่ที่อื่นแต่ข่าวนั้นอาจจะเป็นความจริงแต่ว่าการตีคุณชิงแตกไม่ยึดคุณพิงไม่ชิงไม่ยึดคุณชิงไว้คุณชิงก็ต้องกลับมีอำนาจใหม่เช่นเดียวกับภูพานสมัยที่ยุทธศิลป์นำกำลังเขาไปสามกองร้อยตีภูพาน ราบตั้งแต่ต้นจนปลายแต่ในที่สุดไม่ทราบว่าใครสั่งถอนกำลังทหารเป็นว่าภูพานก็เกลือยกลายเป็นภูอันตาพานใหม่และเป็นภูอันตาพานที่มีกำลังแข็งแกร่งกว่าเก่ามากเป็นการยากกว่การปราบรามพรบัรดารูลกรักทั้งหลายเหตุทั้งหลายเริ่มน้ฟังแล้วก็จงจำจำไว้ด้วยช่วยแกงคิด ว่าเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆที่พ่อกล่าวมานี้อย่าไปยืนยันอย่าไปโต้เถียงกับเขาเพราะเราได้มาจากคนที่ไม่มีเนื้อไม่มีหนังดีไม่ดีก็ยังหาว่าบรรดาลูกรักของพ่อทั้งหมดเป็นคนบ้าคนหลังจะไม่เกิดประโยชน์โทษที่จะพึงมีนั่นก็คือความเดือดร้อนเพราะการต่อร่อต่อเถียงการทะเลาะสิ่งกันและกัน พ่อมองมองดูเวลาที่ให้ไวแล้วนั้นยี่สิบแปดนาทีมันก็หมดแต่เพียงทำนี้สำหรับเรื่องราวของเทพนานนี้ก็ยยุติไว้ได้เพียงทำนี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี